นะโมทัสสะะกวตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะกวตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพะกวตโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกอ น, นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะวิสุท์ทั้งหลายถ้าธรรมะทั้งหลายสามประการเหล่านี้ไม่พึงมีอยู่ในโลกแล้วไซตถ้าฐาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรันตะสัมมาสัมพุทธะและ ธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกธรรมทั้งหลายสามประการคืออะไรเล่ากล่าวคือความเกิดด้วยความแก่ด้วยและความตายด้วยธรรมทั้งหลายสามประการเหล่านี้แหละถ้าไม่มีในโลกแล้วไซตถาคต ก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นอรหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธะและธรรมวินัยที่ต ถ, ถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเรืองไปในโลกเพราะเหตุใดแลที่ธรรมะทั้งหลายสประการเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นต ถ, ถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลก เป็นรันตะสัมมาสัมพุทธะและธรรมะวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกพิสุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามประการคือราคะโทสะและโมหะก็ไม่อาจเพื่อจะละซึ่งทำสามประการ คือความเกิดความแก่และความตายพิสุ์ทั้งหายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามประการคือสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าตัวตนของตนความลังเลในธรรมที่ไม่ควรลังเลการรูปคำศีลและวัดอย่างปราศจากเหตุผลก็ไม่อาจเพื่อจะละ ซึ่งทำสามอย่างคือราคะโทสะและโมหะพิษุทธนหลายเมื่อบุคคลไม่ละซึ่งทำสามอย่างคือการทำในใจโดยไม่แยบคายการผัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วความมีจิตหดหู่ก็ไม่อาจเพื่อจะละซึ่งทำสามอย่างนั้น คือความเห็นว่าตัวตนของตนความหลังเลในธรรมที่มีกวนหลังเลและกลารรูปครัมศีลและวัดอย่างปราศจากเหตุผลภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งธรรมสามอย่างก็ไม่อาจจะละซึ่งธรรมสามอย่างคือการทำในใจโดยไม่แ ย, ยบกาย การพัวพันอยู่ในทิฐิอันชั่วและความหดหู่แห่งจิตพิสุททั้งหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามอย่างคือความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าความมีจิตเที่ยวก่อเกี่ยวก็ไม่อาจเพื่อจะละ ซึ่งทำสามอย่างคือความมีสติอันลืมหลงความปราศจากสัมปชัญญะและความสายแห่งจิตบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามอย่างคือความฟุ้งซ่านความไม่สารวมและความทุศีนก็ไม่อาจเพื่อละซึ่งทำสามอย่าง คือความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าความมีจิตเที่ยวขอเกี่ยวพิสุจงายส่วนบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งความไม่มีศรัทธาไม่ละความไม่เป็นวัฏฏัญยูไม่ละความเกียรตครนันก็ไม่อาจเพื่อจะละซึ่งทำสามอย่าง คือความฟุ้งซ่านไม่อาจจะละซึ่งความไม่สํารวมไม่อาจจะละซึ่งความทุศีนพิสูจน์ต่อหลายบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งทำสามอย่างคือความไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลและทำที่ควรเอื้อเฟือ้อความเป็นคนว่ายากและความมีมิดชั่ว ก็ไม่อาจเพื่อจะละความไม่มีศรัทธาไม่อาจเพื่อจะละความไม่เป็นวัฒน์อยู่ไม่อาจเพื่อจะละความเกียจคร้านพิสุตนลายส่วนบุคคลเมื่อไม่ละซึ่งตามสามอย่างต่อไปนี้คือความไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายความไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวและความประมาท ก็ไม่อาจเพื่อจะละซึ่งความไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลและธรรมอันควรอื้อเฟือไม่อาจเพื่อจะละความเป็นคนว่ายากไม่อาจเพื่อจะละความมีมิชั่วปิจิตุทลายบุคคลเป็นผู้ที่มีความไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอายมีความไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัว มีความประมาทแล้วเ่านั้นเมื่อเป็นผู้ประมาทอยู่แล้วก็ไม่อาจเพื่อจะละซึ่งความไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลและธรรมอันคนเอื้อเฟือ้อไม่อาจเพื่อจะละซึ่งความเป็นคนว่ายากไม่อาจเพื่อจะละซึ่งความมีมิดชั่วเมื่อเขาเป็นผู้ที่มีมิดชั่วแล้วก็ไม่อาจ เพื่อจะละซึ่งความไม่มีศรัทธาไม่อาจเพื่อจะละซึ่งความไม่เป็นวัฏฏัญอยู่ไม่อาจเพ like ื่อจะละซึ่งความเกียดร้านเขานั้นเมื่อเป็นผู้มีความเกียดร้านอยู่ก็ไม่อาจเพื่อจะละซึ่งความฟุ้งซ่านไม่อาจเพื่อจะละซึ่งความไม่สํารวมไม่อาจเพื่อจะละ ซึ่งความทุศีลเขานั้นเมื่อเป็นผู้ที่มีความทุศีลก็ไม่อาจเพื่อจะละซึ่งความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าไม่อาจเพื่อจะละความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าไม่อาจเพื่อจะละความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยวเขานั้นเมื่อมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยวอยู่ ก็ไม่อาจเพื่อจะละซึ่งความมีสติอันลืมหลงไม่อาจเพื่อจะละความปราศจากสัมปชัญญะไม่อาจเพื่อจะละซึ่งความสายแห่งจิตเหล่านั้นเมื่อเป็นผู้มีจิตสัต ส, สายก็ไม่อาจเพื่อจะละความทำในใจโดยไม่แยบคายไม่อาจเพื่อจะละ การพัวพันอยู่ในที่เตี้ยนจั่วไม่อาจเพื่อจะละความมีจิตหดหูเก้านั้นเมื่อเป็นผู้มีจิตหดหูก็ไม่อาจเพื่อจะละความเห็นว่ากายนี้ของตนไม่อาจเพื่อจะละความลังเลในธรรมที่ไม่ควรลังเลไม่อาจเพื่อจะละ ความรูปคลำศีลและวัดย่างปราศจากเหตุผลเมื่อเขาเป็นผู้มีวิจิกิจจาคือความลังเลสงสัยก็ไม่อาจเพื่อจะละซึ่งราคะไม่อาจเพื่อจะละซึ่งโทสะไม่อาจเพื่อจะละซึ่งโมหะเมื่อเขาไม่ละซึ่งราคะ ไม่ละซึ่งโทสะไม่ละซึ่งโมหะแล้วก็ไม่อาจที่จะละซึ่งความเกิดความแก่และความตายพิสุจธ์หลายส่วนบุคคลเมื่อละซึ่งตามสามอย่างคือราคะโทสะและโมหะก็อาจเพื่อจะละซึ่งความเกิดความแก่และความตาย ิสูทั้งหลายเมื่อบุคคลละซึ่งทำสามอย่างคือความเห็นว่าตัวตนของตนละซึ่งความลังเลสงสัยความเกลืออแกลง้งความเห็นแย้งละซึ่งการลูบกลําศีลและวัดอย่างปราศจากเหตุผลก็อาจเพื่อจะละซึ่งทำสามอย่างคือราคะโทสะ และโมหะผูสุธนายบุคคลเมื่อละซึ่งทำสามอย่างคือความทำในใจโดยไม่แยบคายละซึ่งการพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วละซึ่งความมีจิตหดหู่ก็อาจเพื่อจะละซึ่งความเห็นว่าตัวตนของตนก็อาจ เพื่อจะละความเกลียดแกลงเห็นแย้งหลังเล่ก็อาจเพื่อจะละซึ่งการรูปคลำศีลและบัดรย่างปราศจากเหตุผลพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบุคคลละซึ่งทำสามอย่างคือความมีสติอันลืมหลงละซึ่งความปราศจากสัมปชัญญะละ ซึ่งความสายแห่งจิตก็อาจเพื่อจะละซึ่งทำ3ามประการนั้นคือละซึ่งความทำในใจโดยไม่แยบคายก็อาจเพื่อจะละการผัวพัน์อยู่ในที่เถียนชั่วก็อาจเพื่อจะละความมีจิตหดหู่พิสูจ์ทังหลายบุคคล เมื่อละซึ่งทาสามอย่างคือความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าความมีจิตเที่ยวเกาะเกี่ยวก็อาจเพื่อจะละซึ่งทาสามประการเหล่านั้นคืออาจเพื่อจะละความมีสติอันลืมหลงก็อาจเพื่อจะละซึ่งความปราศจากสัมพันธยา ก็อาจเพื่อจะละซึ่งความสายแห่งจิตวิสุิ์งหลายบุคคลเมื่อละซึ่งความฟุ้งซ่านเมื่อละซึ่งความไม่สํารวมระวังเมื่อละซึ่งความทุศีนก็อาจเพื่อจะละซึ่งทำสามประการเหล่านั้นคืออาจเพื่อจะละความไม่อยากเห็น พระอริยเจ้าอาจเพื่อจะละความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าก็อาจเพื่อจะละความมีจิตเที่ยวกาอเกี่ยวปิกษตตันายบุคคลเมื่อละทำ3ามประการต่อไปนี้คือละความไม่มีสตาละความไม่เป็นวัฏฏัญยละความเกียดร้น ก็อาจเพื่อจะละซึ่งความฟุง้งซ่านอาจเพื่อจะละซึ่งความไม่สำรวมระวังอาจเพื่อจะละซึ่งความเป็นผู้ทุศีนที่สุดนายบุคคลเมื่อละซึ่งความไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลและทำอันควรเอื้อเฟือ้อเมื่อละซึ่งความเป็นคนว่ายาก เมื่อละซึ่งความเป็นผู้มีมิจฉุ่นแล้วก็อาจเพื่อจะละซึ่งทาสามประการคืออาจเพื่อจะละความไม่มีสตัทธาอาจเพื่อจะละความไม่เป็นวัฏฏัญญูอาจเพื่อจะละความเกียกรติรันพิสูจน์นหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้ละซึ่งความไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอาย ละเสียซึ่งความไม่กลัวในสิ่งที่กลัวละเสียซึ่งความประมาทก็ อ, อาจเพื่อจะละซึ่งทำสามประการเหล่านั้นคืออาจเพื่อจะละความไม่เอื้อเฟื้อในบุคคลและทำอันควรเอื้อเฟือ้ออาจเพื่อจะละซึ่งความเป็นคนว่ายากอาจเพื่อจะละซึ่งความมีมิชั่ว พิสูจน์ทั้งหลายบุคคล น, นี้เมื่อเป็นผู้มีความละอายในสิ่งที่ควรละอายเป็นผู้กลัวในสิ่งที่ควรกลัวและเป็นคนไม่ประมาทแล้วเขานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่แล้วก็อาจเพื่อจะละความไม่เอื้อเฟื้อในธรรมและบุคคลอันควรเอื้อเฟื้อก็อาจเพื่อจะละ ความเป็นคนวายากก็อาจเพื่อจะละซึ่งความมีมิรชั่วเมื่อเขาเป็นผู้ที่มีมิรดีก็อาจเพื่อจะเป็นคนที <necessary> ่มีศร <scrape même> ัทธาก็อาจเพื่อที่จะเป็นผู้เป็นวัฒนอยู่ก็อาจเพื่อที่จะเป็นผู้ที่มีความเพี่ยนเมื่อเขาเป็นผู้ที่มีความเปียนอันบราลบแล้วก็อาจ เพื่อท hmm. ี่จะละซึ่งความฟุ้งซ่านอาจเพื่อที่จะละซึ่งความไม่สารวมอาจเพื่อที่จะละความทุศีลเครานั้นเมื่อเป็นผู้มีศีลก็อาจเพื่อจะละซึ่งความไม่อยากเห็นพระอริยเจ้าอาจเพื่อจะละซึ่งความไม่อยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าอาจเพื่อจะละซึ่งความมีจิต เที่ยวก่อเกี่ยวเขานั้นเมื่อเป็นผู้มีจิตไม่ไปก่อเกี่ยวแล้วก็อาจเพื่อจะละความมีสติอันลืมหลงอาจเพื่อจะละความมีปราศจากสัมปชัญญะอาจเพื่อจะละความสายแห่งจิตเขาเมื่อเป็นผู้มีจิตไม่สักสายแล้วก็อาจเพื่อจะละ การทำในใจโดยไม่แยบกายก็อาจเพื่อจะละการพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันชั่วก็อาจเพื่อจะละความมีจิตหดหู่ขล่านั้นเมื่อเป็นผู้มีจิตไม่หดหู่แล้วก็อาจเพื่อจะละซึ่งความเห็นว่าตัวตนของตนก็อาจเพื่อชะละความลังเล เรียบแคลงสงสัยก็อาจเพื่อชะละความเมาบุญคือการรูปครามศีลและวัดอย่างประศจากเหตุผลเขานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่มีวิจิกิจจาก็อาจเพื่อชะละซึ่งราคะโทสะและโมหะเขาเมื่อเป็นผู้ละได้แล้วซึ่งราคะโทสะและโมหะ ก็อาจเพื่อจะละซึ่งความเกิดด้วยความแก่ด้วยและความตายด้วยดังนี้อาหารสี่อย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของภูตสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก่สำภเวศทั้งหลายอาหารสี่อย่างอย่างไรเล่า สอย่างคืออาหารคือคำข้าวที่หยาบบ้างละเอียดบ้าง 2. อ, อาหารคือผัดสะสามอาหารคือมโนสัญเจตนาและ 4. อาหารคือวิญญาณปิษุทธิทงหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดมรงอยู่ของพุทตะสัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่ออนุเคราะห์แก้สำพเวศทั้งหลาย ี่สูนทังหลายอาหารคือคาข้าวเราจะพึงเห็นอย่างไรคือเปรยียบเหมือนภรยาสามีสองคนถือเอาสเสบียงสำหรับเดินทางเล็กน้อยเดินไปสวนต่างากันด่านสองสามีภริยานั้นมีบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าอินดูอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะ เขาทั้งสองกำลังเดินไปตามผลทางอันกันดานอยู่นั้นสเสบียงสำหรับเดินทางที่เขามีอยู่เพียงเล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปผนทางอันกันดานนั้นยังเหลืออยู่เขาทั้งสองนั้นยังไม่เดินข้ามหนทางอันกันดานนั้นไปได้ในครั้งนั้นแลสองบริยาสามีนั้น จึงได้มาคิดเห็นว่าสเสบียงสําหรับเดินทางของเราทั้งสองที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนี้ได้หมดสิ้นลงแล้วผลทางอันกันดา น, นี้ยังเหลืออยู่ทั้งเราก็ยังไม่เดินข้ามผลทางอันกันดา น, นี้ไปได้อยา ก, กระนั้นเลยเราทั้งสองคนพึ่งฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าอ็นดูนีสเสียแล้วทําให้เป็นเนื้อเก็บ เนือ้น อ, อย่างบริโภคเนื้อบุตรนี้นั่นแหละข้ามผลทานกันดานที่ยังเหลืออยู่นี้เถิดเพราะถ้าไม่ทาเช่นนั้นพวกเราทั้งสามคนจะต้องพากันพินาศหมดแน่ดังนี้ในครั้งนแหละภรรยาสามีทั้งสองนั้นจึงค่าบุตรน้อยคนเดียวผู้น่ารักน่าเอินดูนั้น แล้วทําให้เป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่างบริโภคเนื้อบุตรนั่นเดียวเดินข้ามผลต่างกันดานที่ยังเหลืออยู่นั้นสองปริยาสามีนั้นบริโภคเนื้อบุตรไปปลางพร้อมกับค้อนอกไปพลางรำพันว่าบุตรน้อยคนเดียวของเราไปในเสียบุตรน้อยคนเดียวของเราไปในเสีย พิสุดทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อ น, นี้ว่าอย่างไรสองภริยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานบ้างเพื่อความมัวเมาบ้างเพื่อความประดับประดาบ้างหรือเพื่อความตกแต่งร่างกายบ้างหรือหนอะข้าแต่พระองผู้เจริญข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าข้า ถ้าอย่างนั้นสองภริยาสามีนั้นจะพึงบริโภคเนื้อบุรเป็นอาหารเพียงเพื่ออาศัยเดินข้าหมหนทางอันกันดารเท่านั้นไม่ใช่หรือพิสูจทั้งหลายข้อนี้มีอุปมาฉันใดเราย่อมกล่าวว่าอาหารคือคำข้าวอนริยสาวบกบพึงเห็นว่ามีอุปมาเหมือนเนื้อบุร ฉะนั้นเมื่ออาหารคือคำข้าวอันเธอกำหนดรู้ได้แล้วราคะคือความกำหนัดที่มีการมุคุณห้าเป็นแดนเกิดย่อมเป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นกำหนดรู้ได้แล้วด้วยเมื่อราคะมีการมุคุณห้าเป็นแดนเกิดเป็นสิ่งที่อริยาสาวกนั้นกำหนด รู้ได้แล้วสังโยชน์คือเรื่องร้อยรัดชนิดที่เธอนั้นประกอบเข้าแล้วจะพึงเป็นเหตุให้มาสู่โลกนี้อีกย่อมไม่มีพิสุททั้งหลายในอาหารสี่อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของผู้แต่สัตว์ทั้งหลายหรือว่าเพื่อนุเคราะ แก่สัมภเวสีสัตว์ทั้งหลายภิสษุทั้งหลายถ้ามีราคะคือความกำหนัดมีความเพลินคือนันที่มีความอยากคือตรหนาในอาหารคือคาข้าวแล้วใส้วิญญาณคือจิตก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารคือคาข้าวนั้นวิญญาณคือจิตที่ตั้งอยู่ได้ จเจริญ ง, งอกงามอยู่ได้มีอยู่ในที่ใดการย่างลงแห่งนามรูปรรก็มีอยู่ในที่นั้นเมือมเ่อการาย่างลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใดความเจริญแห่งสังการทั้งหลายก็มีอยู่ในที่นั้นเมื่อความเจริญแห่งสังการทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไป ก็มีอยู่ในที่นั้นเมื่อการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใดความเกิดและความตายต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นเมื่อความเกิดและความตายมีอยู่ในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ที่มีโศกมีทุลีมีความขับแค้นดังนี้ พิ่สือตองไหลเปรียบเหมือนช่างย้อมหรือช่างเขียนเมื่อมีน้ำย้อมคือครั่งขมิ้นกรามหรือสีแดงอ่อน<ม>ก็จะพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษลงที่แผ่นกระดาษหรือฝาผนังหรือผืนผ้าซึ่งเกลี้ยงเกลาได้ครบทุกส่วนอุปมานี้ฉันใด อุปมาอก็ฉะ น, นั้นคือถ้ามีราคะมีความเปลินมีตัณหาในคำข้าวอาหารคือคำข้าวแล้วไซสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารคือคำข้าวนั้นเมื่อวิญญาณที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้มีอยู่ในที่ใดการอย่างลงแห่งนามรูป ก็มีอยู่ในที่นั้นเมื่อการยังลงแห่งนามรูปมีอยู่ในที่ใดความเจริญแห่งสังคารต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นเมื่อความเจริญแห่งสังคารทั้งหลายมีอยู่ในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นเมื่อการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปมีอยู่ในที่ใด ความเกิดความแก่และความตายต่อไปก็มีอยู่ในที่นั้นเมื่อความเกิดความแก่และความตายมีอยู่ในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าที่ที่มีโศกมีชุลีมีความขับแข้งพิจารณาหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีความเปลนไม่มีความอยาก ในอาหารคือคำข้าวแล้วไซสวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในอาหารคือคำข้าวนั้นเมื่อวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ในที่ใดการย่างลงแห่งนามรูปก็ย่อมไม่มีในที่นั้นเมื่อการอย่างลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใด ความเจริญแห่งสังการทั้งหลายย่อมไม่มีในที่นั้นเมื네่อความเจริญแห่งสังการทั้งหลายไม่มีในที่ใดการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีในที่นั้นเมื่อการบังเกิดในพบใหม่ต่อไปไม่มีในที่ไไใดความเกิดความแก่และความตายก็ไม่มีในที่นั้น เมื่อความเกิดความแก่และความตายไม่มีในที่ใดเราเรียกที่ที่นั้นว่าเป็นที่ที่ไม่มีโศกไม่มีทุลีไม่มีความขับแคนเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือหรือใต้ก็ตามเป็นเรือนที่มีหน้าต่างทางทิ่ตะวันออก ครั้นพระอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์่องเข้าไปทางหน้าต่างแล้วจะตั้งอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้นเล่ า, าแต่พระองค์พูดเชิญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์จะปรากฏที่ฝาเรือนข้างในที่ตะวันตกประชาาัข้าพิสูจ์ทั้งหลายถ้าฝาเรือนทางทิศตะวันตกไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้น จะปรากฏอยู่ที่ไหนขาแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นก็จะปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าขา้าพิสุจน์ทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีเล่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหนค้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้ น, ะ น, น, ะ น, นจะปรากฏอยู่ในน้ำพระเจ้าขา้าพิสูจน์ทั้งหลายถ้าไม่มีน้ําล่ะ แสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหนอีกคาถาพระองค์พู้เรญแสงสว่างแห่งพระอาทิตย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏพระโชค่าพี่สุนายฉันใดก็ฉันนั้นแหละถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิคือความเพลินไม่มีตัณหาคือความอยากในอาหารคือคำข้าวแล้วไซ